กัณณะจักทิขเวตุการิโรทคามินิปิปัตหะอริยสัจจ์อยู่สุธรรมไลเมื่อนังเครื่องให้ถกความอับไม่เหลือแห่งทุกนายอริยสัจนเป็นอย่างไรเล่า ยิเรียงเจวะอริโยอะทังที่โกมคโคเจืออนทัอันประกอกด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เองเถวาเถวางแปดคือสมะเดียติสมะสังกัปโปโยความเห็นชอบความดมดีชอบ สัมมาวายาสัมมากัมมันโตปัจจเจชอบการงานชอบสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมอาชิพชอบความเบียนชอบสมาสติสมาสมาธิความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ 阿拉มจะพิขเวสมาติต <intent>? ีย ja, ิส่ทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายมโมพิกเวผู้เขียนนามยิสู่ทั้งหลายความรู้ในโลกโลกกับมุตรเยียรนามความรู้ ให้เกิดทุกข์ทุขะสิโรเทยานังความรู้ในคามดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขะเนโรทคามินีอาญาวามดีปะทะมิยะยานังความรู้ให้อาลางให้นทมให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ มาไดยังณุจะพิทัเวสัมมาทิฏฐิมีเลียกว่าความเด่จอบตามาจะพิทัเวสัมมาอัมกะโปะอสูทังลายความหลุอบเป็นอย่างไรนล่นเ ไอ้มาสังกับโพความสุขทั้งหลายความดําดีในการออกจากตรรมาริยาปาทาสังกับโกความดํำดีในการไม่ภริยาป่าอวิหิงสาสังกับโกความดําดีในการไม่เบียดเบียน อายังบุตรดิสกเวสัมมาสังคปรกนิเลควาความมีชอบราธันตจะดิขเวสัมมาวาจาปิสุทังลายวาจะชอบเป็นอย่างไรเล้ามุสาวาทาเวรมะี สุทั้งหลายการเว้นจากการพูเทศวิสุลยวชายเวรมณีการเว้นจากการพูโสเสียตุอะระอะเวรมณีการเว้นจากการพูคยาสัมภาปะพเวรมณี กันเวนจากการพูดเผชเจอาัาบุตรดีสิกเวสัมมาวาจะมีเรียกว่าวาจาชอบกาตาโมจะพิกเวสัมมาสัมมันโุที่สุทังหลายอนันชอบเป็นอย่างไรเรา นาณาติปาตาเวรมะนีไอสุทั้งหายการเว้นจากการฆ่าัตว์าอินาคานาเวรมะนีการเว้นจากการรักษาอะตอิสุมิชากราเวรมะนีการเว้นจากการระพุษผิดใน อาญาบุคตาติพิฆเวสัมมาอาภันโตในเรว่อทารงานชอบอาตมโมจะพพิขเวสัมมาอาชิวะิีสูทังไายอาชีพชอบเป็นอย่างไรแล้ว อิทาภิกขะเวภิริยะสาวกุภิสุดังลายภิริยะสาวกในศาสนานี้มิจจชาชีวะระหัสบังสีเวนาชวิกรรมกเปติลักันธ์ี ชอาญาิภิกขเวสมมาอาชิวะิกษุว่าอาชีชอบตโมจภิกขเวสมมาวาาโมวิุทังลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล้ ปิทาปิคเวปิคูปิสุทั้งหลายปิสุในศาสนานีอะนัมนัพระระนัมกุสลนัมนัม ย่อมมารีย์ย่อมอาราบีจิตธรรมภาภานาดีปาราหาีย่อมบุความพอใจย่อมพยายามย่อมบาโรคบาปเพียรย่อมประคองทั้ขีดไวเพื่อความให้บังเกิดขึ้นแห่งพกุศลธรรมไรแหยาม ยังไม่บังเกขึ้นอะุนาณัมรัมะาณัมอภสลานัมธรมานัมภะรยากยังฉันทังฉนติอายยมาติริยัมอาราปิจิตังปะคะนติปะคะหัติย่อมุกปล้ำพอใจย่อมพายายาม ย่อมปราบความพียนย่อมปราบคองมขึ้นขีดไวเพื่อ่าลาดสื่ซึ่งอภูสนุนธรรงทั้งหลายอันยามโลกที่ยังไม่ัำเกิดขึ้น อาโลปะนังน <Norwegian> an ังโกสลานังธรรมานังอุปาทายะฉันทังฉันเนติวายะมัดีอะติยังอาระปิติจิตังปะคะหัดีปะทะนัดีย่อมจูกความพอใจย่อมพยาย่อมปราบความเปลียนย่อมปราบของทั้งจิตว้ เ <árias> พื่อความเกิดขึ้นแหกุสลทงทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดขึ้นอปัานานังโอสานานังมะมานานังอิริยาสัมโมสัยยะิโยภาวายาเบปุลายา มณายามริปุริยัธรรมชะเนติภัยยะมดิภะยมอราติจิตังปันอติปิยมปรุปามพอใจยมพยายายมปราความเพีย ย่อมประคองรัางจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เอื้อเรือนความมอบความพิ้นเกินความหายดุลความเจริญ พุทธะิภิกขเวสัมมาวายามุที่เรียกว่าความเด่นชอบรดามาจะภิกขเวสัมมาสติภิกุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเราภิกษภิกขเวภิภิกทังท้งหลาย อิสุไรศาสนาดีกายเอกายนุปัชชิวิหารตีเป็นผู้มีปกติปิจารณาเห็นกาในกายดูอาตาปีสัมบัชโนสติมามีความเปลี่ยนเครื่องเขาบาบมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติวินัยยโลเคอภิจัาโตมนัสสางนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวนะนาสุเวนานุปัสสิวิหารตีเป็นผู้มีโปกติจารณาเห็นเวนะนาในเว ตาาปิสัมปชาโนสติมามีความเดือดเครื่องเผาบากมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยอโรเฆอภิชาโทมนาสัมนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เรียกไอติตานุภาสสิเวหารดีเห็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปีสัมปัญโสติดมาเออความเพียนเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกเอื้ทั่วพร้อมมีสติ วินยโลเคอภิสจโตมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นามิสุรามานุปสีวิอระพีเป็นผู้มีปกติใจในธรรมในธรรมดังนั้น สัมปชัญญสติมามีความเคียนเครื่องเขาบาปมีความรู้สึกทัวทั่วพร้อมมีสติวินนยโลเกอภิจาโทมนาสังมีความรู้ไปและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อะเรังวุฒาดีวิ คเวสมัมมาสตินเรียกว่าความระลึกชอบอาโมจภิกเวสมัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความทั้งใจมั่นเถอเป็นอย่างไรก้าวอิจาภิกขเวปิูมภิกษุทั้งหลาย เบิกสูในศาสนานี้วม่รเทวาอันไม่หิวิจักกุสเลหิัไม่หิวิทักังสวิจารัเมวิเทเฟติติสุขังปัตมากุปสัมปะชาวิหาร ก็ชนะจากทำทั้งหลายก็ชนะจากอกุศลทำทั้งหลายย่ำเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิโตวิจารวิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วิจักขาวิจาระนังบุปสมม้ว่ามิโตวิจาร จารัมามิติชาปิตุขังทุติยังชาณะอุปสัมภะชาวิหารทีเข้าที่การที่สองอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิในคำอันเอกเกิด ไม่มีวิโดวิจารมีแต่พิตีและสุขันเกิดแต่พิมาที่แล้วแล่อยู่พิตีจะจะวิราคาเพราะพิติจำห้ไปอุไปกขาโจตามิรา ชาอุปัสสัมปาชาวิหารดีย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยช่างร่ายกล่าวสรรเสริญว่าไรบรรลุวา่าเป็นผู้วางใจเด็นกาลางดูมีความรู้สึกัวทัว่วพร้อมและแหน่อยู่ ทุกขสใาจะกปาหาทุกขสใาจักปะหาความทุกข์และสุขเสียได้โยมเอวะโคมนัมนามนาจักโขมันนาสานะังและวบอกวามนักหนาห่ความพอใจและความไม่พอใจในกันก่อน อาพัธะมาจตุคภมาสุขังอุเปกขสติปาริสุติเดรทังชางอุปสำปะชาวิหารดีเดือมร้อเข้าถึงฐานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์และมีใจเป็นกลางพอรู้เห็นตางความ จป็นทีอยู่เร่ยังาณวุตติีิกขเวสัมมาสมาดิมีเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบีธรรงวุอตริภิกขเวสุขภิโรธ ะ, ะมินปปิปาาัาอรปยาปจังนิสุทังหลายมีเรียกว่า ทนเพื่อให้ถึงความดับไม่เลื่อแห่งทุกข์ในอริยสัจที่ไดอาจจะตังว่าายสุรมานุปัสสิวิหรตีด้วยอาการอย่างนี้ ทภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารนาเห็นธรรมในในธรทั้งหลายอันเป็นใครในบ้างบาริดาวาธรรมเมสุตมมาทุปัสสิวิหารดิในธรรมทั้งหลายอันเป็นใครนอกบ้าง อาสะตาภีทาวะธรรมเมสุระมานุปัสสิวะราตีในทางทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกกลางสะนุเกียมานุปัสสิวะธรรมเมสุวิหรตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรม นันเป็นเหตุเกิดขึ้นในทางบาง oh. วายธรร ม, มานุปัสสีวะกายสุวิหารดีเห็นธรรมัเป็นเหตุเสือไปในทางบางสามุทยยัยยะวยธรร ม, มานุปัสสีวาธรรมสุวิหารดีเห็นธรรม เป็นเหตุเกิดขึ้ น, น, นาาและเสื่อไปในธรรมบางอาทิายอธิวะปนัสสบีปัจจุปปิตาโหติก็แหลสตีคือความระลึกว่ า, อ, วาอัมเนียงามีอยู่บังนี้ของเธอนานเป็นสตีที่เธอดำรงไว้ ยาวเทวญาณัตตาญาเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมาตาาเพียงเพื ik, ่อหาใสระลึกนานิสิโตจะวิหารตีที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ นาจ่กขินจิโลเกอุปาธิญาติหรือไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวังปิโกภิกษเวภิกูธรเมสุรรมานุภัสสิวิหารติภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่าพิสูเป็นผู้มีปกติิจารณาิน <c oughs> ทํในธรรมทั้งหลายนักุรมรียสักเกสุเฮอริยสสี ญ, ญาณิโยฮิโกพิเวเนสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้ใด อิเมจตตโรสติปัฏฐานีเอวังปวยาสกาวะสานเจะเินสติปัฏฐานสียางน้ด้วยอาการอย่างนี้ตลวิปัสสนาวินังมะระนังอันเนระระังิคังขาภ พึงวางคนอย่างใดอย่างหนึ <lawsuit S 2> ่งในบรรดาุลทั <hatten S 2> ้งสองเชื้อแหวมีรัญญาธรรมีมาอุปาทิเสเซอนาคาพิธาคือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสัญญอยังเอื้ออยู่ ก็เป็นรนาคามีปิการตุพิขเวสัตสราวานิชีสุทังลายเจตีย่อมไว้ก็ได้โยหิโกจีพิขเวพิสุทังลายก็ผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจัตารุสติมานิ วังมาวยาวสานิจามจมาสานิจจัาริวสานิจวสานิจจาเวสานิจเจคังวสัญจจะรสติปาสอยามีด้วยอาการอย่างนีลอดหกปีห้าปี ปีสปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดีตาสาธวินังนรานังัญญาตระนรา Ah, ah, ah นิจจะอะระวิาสนิจจเดนิวสนิจจคเววาสนิจจังวาสัญญาปสุทังาปีน้าีสปสมปสองปีหรือหนึ่งปีก็ยกไปก็ได้ โหิตโิพพะเวสุทั้ลายข้อผู้หนึ่งผู้ใดอิเบตตโรสติภัทนาเนวังหะวยยัสสนามาสา อาัทวินังภะระนังอนญะระระมัดิกัคังข้อบึงวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองที่เทวนาีอนยสปิวะอุปาติเสเศนานามิตาเทวราห มีป <tem> ิตันตุพิฆเวสันตัมมัสะนีปิสุทั้งนลายเจ็บเืโยบายก็ได้โยฮิโกจิพิฆเวสปิสุทั้งหลายพ้องูหนึ่งผู้ไดอิเมจัตพระโรสติปัททะเนเยวังภาวยาช จัปปัญจมาสานิจัปามาริมาสานิจัเทวมาสานิจัทเวมาสานิจัปังจัอทมาสันจจเรศติปัฏฐานอย่างนี้ด้วยอาการอย่างีลอดหองเตหาเ เดสาเดือนสองเดือนหรือนเดือนือเดือนก็ดีเทพธิดานางรานางสญาตารังพระรามปฏิกรทางท่านมังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองทิเทวาธรเมอัญญาสิริวาปิเสเสาะนา คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาติีหรือป็ออุปาทิคือฉันโยยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีอตทัตุพิขเวอัตถมาโสมิสุทงังหลายกึ่งเดือนโยกไว้ก็ได้โยฮิโกจิพิฆเว ทั้งหายก็ผู้หนึ่งผู้ใดดิเนจตาโรสปิปะหาดีวังมาวิยาสตาณังจะเรินสปิปะหสีอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้จอดเจ็บวันตดสัวินนังภรนังอัญญตระมภรัง ที่กลงทางเขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคนทั้งสองทเนวารเมหัจญสบิวะอุปาทิเสเสานาคามิตาคือบกข า, าระหันในปัจจุบันชาตนินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็ ราหาธมีเอตายโนภิกขเวายมมโคตรปีสูทงังหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวสาสตานางวิสุทธิยานะเมื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสาสตร์ทั้งหลายโสตปริเทวานังสม า, มาิกะมัย เพื่อการเน้าร่วงเสียชึ่งความสุขและความร่ำไรรำ่ำพานทุกขาโทมาันา ด้วยประการชนีอิธิยัทางพุทธังธรรมที่เราตก่ามาแล้วนี้อิทัมเมตังปฏิจักพุทธันตเรามาส่สติปัทมศีนัสเก่าแล้วอิทัมมิโวจักปัวะตัมนาเตปิคุปมาคะ นํงอาภินันทุนทีราภูมิรา